มือนี้เป็นวั่นที่สรดสังเวชใจในรักถ้ำค้ำสอนเพื่ว่าสังเวนิยกถาสังเวคือคือความสังเวชสรดใจจิตรีกาวความสังเวชสรรใจเป็นข้าถาหรือ ว, ว่าเป็นค้าพูดออกมาให้พวกเข้าได้รับรู้รับทราบก็คือตูกลนของเข้านี่แหละตูหนวดของเข้านี่ ทั้งที่เพิินกัเป็นโยมอุปถัมประทักผ้ามูไหวายพระอย่างพวกเข้าท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นผูน้ำมูเป็นผูน้าชุ่มชน่นบ้านหน้าขัางของพวกเข้าแล้วก็เป็นผูนําผ้ามูไหวายพระสวดมนต์ศาสนาพิ ธ, ธีผ้ามูกาวข่าถวายทา่ า, านสมาท่านศีลในทั้งพุทธศาสนา เออตลอดจะว่าเป็นพงเป็นภาพอีกต่างหากอค น, นไปในชุมช่อนคไปก็เป็นทีย่อมรับของป่วงประชาทุกหมู่เราในเขตทินของเฮ้าบัดนี้เป็นเวลาของตูหนวดเพิ่นถึงเพิ่นจะทําคุณงามความดีขนาดใดก็ตามคุณงามความดีก็คือคุณงามความดีส่วนความเกิดแก่เจ็บตายนั่นอันอีกเรื่องหนึ่งบางคนก็บอก คนถีสางคุณง่ามความดีแล้วเป็นอยังยังยงย่งไถ่ไงอันนั้นบอกเกี่ยวกันคือตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วก็ ค, คือในอดีตชาติที่พานมาเนี่ยไผได้ทำบาปกลับเป็นอย่างไว้เด้ไผ่ได้สร้างบุญอย่างไว้เด้ไผได้ทํา <c oughs> เรื่องเล่าที่ทําให้มั่งมีซีสุขหรือว่าทําให้ยากจนหรือว่าให้อายุสัน้นหรือว่าให้อายุยาวพระพุทธเจ้าเพลิน หูคนหูมัดวิธีทางเดินของชีวิตของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเพื่นยังว่าจุตูปะปะตาตยานการจุดติของสรรพสัตว์ทั้งหลายการใส่กลำ่ำกล่ำคือเวน้นกลำ่ำหรือว่ากล่ำคือการกระทําของดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณผู้นี้ทำกรรมอันนี้ไว้ได้รับผลอันนี้ผู้นี้รับท่ามกรรมอันนี้ไปได้รับผลอันนี้พราะพุทธเจ้าพคนหู แค่ว่าจุดตูปปตาตยานเพิ่นมีญาณทัศนาเพิ่นนางภาวนาเนี่ยเพิ่นเห็นเห็นว่าวิญญาณนี่มาจากสมาเกิดนี่ออกจากนี่แล้วจะไปใสที่มาเกิดในีพบนี่ชาตินี้จะใช่กรรมอ้อย่างที่นักที่ซดในการเป็นอยู่ของของชาตินี่คือการท้ำกรรมนี่ถำหลายหลายอย่างนี่ในชาตินี่คือกันแต่ละคนบ่คือกัน อบางคนก็เอนเด็กขาพ่อขาแม่ก็มีแต่ว่ามีพลายหูบางคนก็เตะพ่อเตะแม่อบางคนก็บ่าคูขาข้นบางคนก็บขาสร้างมากงวอควายซัตที่มีข้นบางคนก็บขาหมูขาหมา ก, กาไก่สิ่งเหล่านี้ผมมีพลายหูแต่ว่ากล่อมคือการกระทําของเจ้าของพานไปแล้วนั่นบันทึกไว้แล้วเอางไปบันทึกไว้ในสมุดไว้แล้ว บันทึกในจิตในใจของผู้กระทําแล้วเอพราะนั่นเวลาเวลามาเกิดกว่าดีเวลาจะไปได้พบภู่มต่างๆกว่าดีกรรมตัว น, นั้นแหละจะผ่านําไปบ้านมันอยู่ในจิตใจของแต่ละคนเนีย่ยเพราะว่าพลในถ้ำไปแล้วมันกับบันทึกไว้ในใจของผู้นั้นแล้วไปนี่คือกันกับซัดหลังไล่ใส่หลังใบหญิงสละาับไปอันนี้คือว่ากรรมบันทึกใส่ใจของผู้นั่นแล้วนไป เพราะนั้นเขาจะมาเกิดเกิดในภพพุ่มใดก็ตามกรรมต้นนั้นจะติดตามเขาไปในภพพุ่มนั้นขันว่ามาเกิดในภพพุ่มนี้ขันว่าผู้ใดชอบในการทำลายสัต์หรือคาสัต์เป็นอาจินเกิดภพไรซ่าใดพนกวะอายุของเขาจะสันเนอะเแต่ว่าตามให้จริงตูหนวดของเฮานี่หลวงพอว่าจะว่าสันกระบอกแมนจิวาย่ากับ่ระบอกแมในระยะ เกือบยาวกัออกไปแต่บอมเนสัตวคนอายุเจ็ดสิบกว่าปีนี่หลวงพ่อว่ากาหาได้ยากเป็นชีวิตที่จะต้องต้องได้คิดเวละวัออกไปต้องได้คิดไปแล้ ว, อ, อ, ลวอย่างหลวงพ่ออายุหกสิบกว่าปีหลวงพ่อก็ได้คิดไปขี้เกันดเลยคิดไปนานแล้วล่ะแต่มาถึงจุดที่แห้งคิดคักวันออกไปแห้งคิดไปให้ละเอียดว่นออกไปอีกสักมือหนึ่งคางนาจะเป็นมือใดบ่หุกนี่ชีวิตของเขาจะต้องถึงจุดจบแน่นอนบอเป็นอย่างอื่น เพราะนั้นยาประมาทย่าตั้งอยู่ในสิ่งถิมันบ่ดีสิ่งใดถิมันดีขนมาใส่เจ้าของหามาใส่เจ้าของสสแสวงใส่เจ้าของ mm hmm. ให้ท่านไหวพระสวดมนต์รักษาศีลประกอบคุณงามความดี mm hmm. บ่แมนสิมีผู้ขา่าบ่มีเงินที่ทำบุญไดเจ้งไดที่สร้างบุญไดเจ้าไส่บ่แมนอันนั้นเป็นความคิดแบบเก่าแก่โบราณอันนั้นกับแมนอยู่ถูกอยู่ในระดับหนึ่ง อันนั้นพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพรวาการทําท่านเป็นเบื้องต้นท่านศีลภาวนาไอันนี้สงฆ์แห่งการทําท่านให้ท่านร้อยครั้งสู่รักษาศีลบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งบ่อใดรักษาศีลบริสุทธิ์ ร, ร้อยครั้งสู่นางภาวนาจิตสงบครั้งหนึ่งบ่อใดอันนี้แหละคือคุณง่ามความดีมันสูงไปจังจันเพราะนั้นเฮาจะไปถือว่าการทําท่านเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมบ่แมน รักษาศีลบริสุทธินั่นแหะรักษากายว่าจ๋าของเฮ้าให้เรียบร้อยบ่ให้มีโทษจะไปเบียดเบียนผู้อื่นอย่าไปคดไปป่นไปทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนทุกข์ใจกระเพ้าอันนั้นแหละก็คือบุญกุศลอันยิ่งใหญ่จากนั้นก็ไป ย, ยามหามใจของเจ้าของพอให้คิดปุ๋งฝูงสัตวให้จิตใจแน่วแน่ให้จิตใจเป็นสมาธิให้จิตใจเที่ยงตรงให้จิตใจมีคุณภาพมีคุณธรรม ม, ม, มีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดี อ น, นันต์เป็นว่าเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่กว่าในการรักษาศีลอีกเพราะฉะนั่นการสั่งคุณง่ามความดีโมเมนต์แต่ท่านอย่างเดียวรักษาศีลก็ใช่ภาวนาก็ใช่หรือการปฏิบัติพอแม่ก็ใช่คือยังพอแม่ของเขาเนี่เป็นบุปผาอาจารเป็นอาจารย์คนแรกของพุท ธ, ธิดาพวกเข้ามังขามบ่ใดอันนี้คือผู้มีอุปการะคุณสําหรับพวกเข้าท่ันทั้งหลาย อันนี้พอผูใ้ใดเจ้าเพิ่นก็ บ, บอกไว้ว่าผู้ใดปฏิบัติพอปฏิบัติแม่โดยความจงรักภักดีโดยความรักเมตตาด้วยความเอาใจใส่ผู้นั้นเขาไปสู่สวรรค์ได้เพราะเหตุใดเพราะว่าพอแม่เป็นพระอรหันต์ของบุตทิดาเป็นพระอรหรันต์แปลว่าเป็นผู้สูงสุดของบุต ธ, ธิดาแต่ละคนเฮาเกิดมาจากใสเกิดมาจากพอแม่พอแม่ได้เลี้ยงดูเฮามากแต่อ่อนแต่ออก เขาขืดบึงเข้าบึง เ, เ, เด็กน่อยก็แล้วกันทั้งอุ่มทั้งโอแม่นมดถุกอย่างก่อนเล็กหน่อยที่ใหญ่ขึ้นมาเข้าผูดหนึงขึ้นกันพ่อแม่จะต้องเลี้ยงดูแบบนั้นเพรา น, นั้นเพิ่งยังถือว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นเป็นบุพผ้าจาร์เป็นอาจารย์เป็นภูมมีความกตัญญูกะตะเวทิตาข้นแรกเป็นบุพภาการี่มันไปบุคค้นภูมีอุปกักระกร่อนเข้าเนี่ยข้นจากตัญญูกะตะเวทีตาจังได เมื่อท่านได้เลี่ยงเข้ามาแล้วอันนี้ก็เป็นนาทีของพวกเข้าขึ้นกันคันวา่าเข้ากตันยุกระตะวิทีตาดีบุญกุศลจุดนี้กับพอแม่หน่อยขึ้นกันเพราะฉนั้นลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเพินเ้นเบล่งม่องหรือให้ถําจุดใดจุดหนึ่งการปฏิบัติพอแม่นี่กัเป็นบุญเป็นกุศลเนอการรักษาศีลกับเป็นบุญกุศลเนอการภาวนากับเป็นบุญกุศลการสร้างสาธารณประโยชน์ อจังสั่งเม่นถึงสี่ขี้กันสั่งเม่นสังนน่งถนนค้นทางรุ่นแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลเพราะนั่นพวกเข้าสิเอาจังใดในการทำบุญสร้างบุญสั่งกุศลแต่ลงพอว่าสําหรับพวกรัทธา ญ, ญาดโย้มออกตนญาติโย้มลูกหลานเอาเพียงแต่ว่าให้ท่านพ่อประมาณแล้วก็รักษาศีลรักษาศีลคือรักษากายวาจาของเฮาเออย่าไปกินเหล่าเม้ายาจะไปสมเลเท่เม้ า, เ, มาเกินไป เพราะเหตุใดเพราะว่าชีวิตของเฮ้ามันบมเมนของสิยืดเย้าเดชโมเมนตจิปล่อยปะละเลยคานว่าพวกเข้าปล่อยให้ความมึนเมาขโมหาเฮ้าเกินไปเฮ้าม่องบ่เห็นอนาคตอนาคตไปพ่ายภาคหนาเฮ้าม่องบ่าเห็นเลยวันออกไปคือกันกับคนขาดจิตใอิกทั้งนนแะมีสิ่งไล่สิ่งชัวสิ่งดีเฮาบุหูจักทั้งวัดเฮ้าว่างตัวกับครอบขัวกับโบถูกว่างตัวกับลูกกับหลานก็บโถูกว่างตัวกับพ่อกับแม่กับโถูก ว่างตัวกับชุมชนสังคมกบฏถูกในขณะที่เมาเพราะฉนั้นถ้าวว่าเฮาบ่เมาเลยดีไหมพอเฮามีสติสัมปชัญญะสิ่งใดคุ้นพูดควรคิดควรทําพวกเฮาควรจะทําสิ่งนั้นอันนี้เพียงแค่นี้ลงพอว่าก็เป็นผลดีสําหรับพวกเฮาออกตอนญยาดโยมทุกคุ้นจากนั่นกรับเบื้องการกระทําของเจ้าของมันขยนันอดทนท้าว่าพวกเฮาการดําลงชีพ อย่าไปเล่นทังการพระนั่นอย่าไปคบโค่นซัวอยังหนีไปต้นนะยังอุบาสกในข้างพุพทธเจ้าอะน่ไปอุบาสกในข้างพุทธเจ้าพวกกลุ่มหนึ่งวนไปเขาตั้งความสงสัยว่า<อ>พพุทธเจ้าเนี่ยว่าแต่เรื่องคุณงามความดีว่าเฮ็ดจังสัน่นจะไปจังสัน่นคนผู้นั้นคันพุทธเฮ็ดจังสี่จะเป็นจังสี่ขันเพาว่าพวกพุทธเจ้าสิวจัก ทังแห่งความส่วนปนอกถ้าว่าภัยเหตุความส่วนีรสอสิส้วนี่พรกพู้ใเจ้าหูปนออกนอันนี้หูจะความดีวะ่ะการปฏิบัติพ่อแม่จะต้องเป็นบุญเป็นกุศลการรักษาศีลการให้ทานเป็นบุญเป็นกุศลการซ่อมสาธารณะประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลเพิ่นหูจักตั้งแต่สิ่งที่ดีแต่ว่าสิ่งที่หายณนะนี่เพิ่นอยู่จากบ่ทั้าทางแห่งความหายณนะล่องไปถามมึงลูก พระพุทธเจ้าสิฮู้บอกเลยภาพนั่นก็เลยกลุ้มนั่นก็เลยเขาไปถามถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข่าวพวกขาพระองค์ได้ยินแต่พระพุทธเจ้าบรรยายเลื่อนแนะนําในสิ่งที่ดีแต่ว่าสิ่งที่หายใจน่ะสิงสีมันส่วนพระพุทธเจ้าบกคอยเบาหรือไม่ได้ยินเลยพระพุทธเจ้าฮู้แต่ทา้งดีใช่ไหมทางที่มันที่ส่วนเนี่ยทา้งที่จีบหายเนี่ย ่ทังจะไปทั้งตาม ท, าทั้งสีจิบหายไหวปวงเนี่ยพระพุทธเจ้าบ่กเคยบอกบอกเคยได้ยินเพราะนั้นพระพุทธเจ้าหูบอกคือหูแต่าทาั้งดีเท่านั้นพระพุทธเจ้าบอกหูเออเข้าหูมัดอ่ะเพราะว่าเข้าไปสยามพูดเลยรู้แจ้งโลกหูาทั้งทั้งดีหูาทั้งทั้งซัวาทา้งดีก็เข้าก็บอกเลยเด้การกดำลงฉีบตระกูลอันมั่งครั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานศี ไม่สแสวงหาพัสดุที่หายแล้วไม่บูรณะพัสดุที่ขําขคลาไม่รู้จักระมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสตรีบุรุษทุกชิ้นให้เป็นพ่อเจ้าเฮือนแม่เจ้าเฮือนอันนั่ น, นก็คือเห็นผนทางอันหนึ่งคือกันแต่ว่าที่จะให้เบิ้งชัดเจนลงไปก็คือให้ปฏิบัติตรงเด้อหนึ่งให้นอนตื่นสายอย่าไปนอนตื่นเศ้านอนตื่นสาย ตื่นก็มางงง่งงงเงี้ยงงเงี้ยงบูิจการบาริจักงานสองห้ไปยุ่งเยิงกับภรรยาของผู้อื่นได้ไปยุ่งกับภรรยาของผู้อื่นอันนี้ก็บหนทางแห่งความชีพหายอันที่สามดื่มนมําเมาอันที่สีเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการพานันครบค้นสัวเป็นมิตรเกียรติข่านทําการงานอันนี้แหละหนทางแห่งความชีบหายให้พ้มไปปฏิบัติเบื้องแรก พวกภาพมัานอาจจะยก ok มือท่วมหัวกัานาไปโอ้ยฟังฟังเบิ่งแล้วบ่ถึงกับปฏิบัติดอกฟั่งเบิ่งแล้วกับแมนหนทางแห่งความจีบหายมดที่พระพุทธเจ้าบอกมาแมนแมนอพอนอนตื่นสายเห็นใจในก้อนนอนตื่นสายโมโหจักการโมโหจักงานมันสิจะเลิศใดจังไดอันที่สองก็ไปยุ่งเยิงกับพันระยะของผู้อื่นกับแมนอีกจุดเหนียวสันมีแต่เรื่องเหล้ายุ่งเยิงบุญไหว้เอ๋่ในขอบในขัวใน การเป็นอยู่ของเจ้า ข, ของชุมชนน่วุ่นวายไปมัดจากนั้นก็ดื่มนนาเมาอีกคนดื่มนนาเมาอัอาที่เป็นอย่างไงเมาสก๊กเมาเซ๊ะเซ๊ะเซ๊ะใส่เซ๊ขวาจะจะเป็นคนดีได้จังใดจะเป็นคนที่ตั้งตนตั้งตัวได้จังไดเที่ยวกลางคืนขึ้นไปเป็นที่เราแวงแค่นใจของคนทั้งหลายจักมันจะไปดีไปซัวเที่ยวดูการเล่นคือนกันกินเล่นการพนันเนีชัดอยู่แล้วครบคนชั่วเป็นมิตร เ, เกียร์ข้านท่ามกลาน นี่แหละเป็นโหนทางแห่งความจีบหายเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพณ์บอกความเจริญในความจีบหายให้แก่อุบาสก อ, อุบาสิกาฟั่งในยุคสมัยนั้นเพราะนั้นพวกเข้าท่านทัน้งหลายไม่ถึงยุคสมัยนี้หลวงพ่อว่าเนี่ยการดําลงคงชีพก็ขอให้พวกเข้ามันขยันอดทอนแล้ะ ว, ะวก็เชาะแสวงหาทรัพย์ให้หูจักเก็บให้หูจักหาให้หูจักใช้ให้หูจักหา หาก็คือหาตามลําพังอย่าไปงอมืองอเท้าอย่าไปงอขีดเกียรติขีดข้านพ่อสีถ้ำจึงใดมาไดก็พอใดมาไหนก็พยายามเก็บเก็บใบเพื่ อ, อยางเก็บใบเพื่อน่าคดพ้าอีผ้หนากันว่าเข้าเถาแก่ชะล่ามาพอมีเงินข้ามทรัพย์สมบัติรักษาตัวป่วยไข่นมนานทั่สุดเข้าสีหาเงินหาขําจะใส่มารักษาเจ้าของอันนี้เข้าโคดึงเตรียมการไว้คือกัน อันนี้พอเก็บพ่อมันขยันแล้วก็อนม่านหูจักเก็บวันละไปเก็บไว้เพื่อหน้าฝนบ่แม่แต่เพื่อเจ้าของผู้เดียวได้ปานนี้ทั้งลูกทั้งเมียของเข้าครอบครัวของเขาอีกให้หูจักเก็บอให้หูจักเก็บให้หูจักหาให้หูจักหาให้หูจักเก็บให้หูจักใช่การใช่คือการบาดคาราว่าเข้ามีแต่หาใช่ลุยชุยแช่ใส่ไปมุเอออันนั้นก็ บ, บอดีขึ้ก่น พอในนั้นหูจักให้หูจักใช่ให้หูจักชใกช่ในการใช้เงินอย่าไปใช้เกินตัวถ้าห้าใช้เกินตัวมันกบมัดใจขึ้นกั น, น, น, อ, กนอันนี้ก็คือการเป็นอยู่การข้องเชีพสําหรับขรหะนยินยมครอบพวกรของพวกเฮ้าก็จะพร้อมกันกับยาลื่มทีนี้ย่าลื่อมเทวศิลธรรมยังตู้นวดทีน่นถึงพันจะทําคุณงามความดีให้แกป่ปวงประชา ให้แก่ชุมชนอย่างพวกเข่าในหูได้เห็นปันไดก็ตามชีวิตของเพิินกับเป็นของโบเทียงแท่แ น, น่นอนขึ้นกันเพลินก็ได้ถิมร่างกายของเพิินถิมร่างกายของเพิินเนี่ยผวกเข่าอีกบอกีีนันที่คางหนาเนี่ยเข่าก็จะได้เผาเพลินละเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันจะได้ถิมน้ากันทุกขูทุกคนเด้นางน้ากันเนี่ยแม่นมดเพียงแต่ว่าไผ่ซาไผ่เรีวต่างกันเท่นานั้นเพราะชีวิตเป็นของโบเทียงแท่แน่นอน ถ้าจะว่าไปแล้วชีวิตของพวกเขาเนี่คือการกระพริบจิตวิญญาณคือตัวพูดลู่หรือน้า ม, มาทัทําเยตัวนึกคิดเนี่ยตัวลู่ลูยอะเนี่ยตัวลงพอกำลังว่าวเยอะเนี่ยตัวหูแล้วก็เว้าออกไปเนี่ยใส่ร่างกายเนี่ยเป็นล่ำห้องวอกไปเอาร่างกายนี่เป็นล่ำห้องแต่ลงพ่อเนี่ยเป็นผู้เวา้าเป็นผู้นึกคิดในสมองก็สร้างออกมาแล้วก็เว้าเนี่ยอันนั้นแหละพ้นว่าใจ พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพลไห่ความสําคัญเรื่องใจนี่เป็นอันดับหนึ่งบนว่าร่างกายนี่มันเป็นอย่างไดเมื่อก็เป็นมาจังสั้นแหละอีกสักมือเรื่งร่างกายนี่จะต้องแตกจะต้องตายจะต้องสลายลงไปสู่ดินหนามลงไปอีกเมื่อกี้หน้าที่ทางหนาเนี่ยตู้นวดก็จะเห็นแต่กระดูกเราเนไปเพราะเหตุใดเพราะร่างกายมนุษย์เท่าเป็นสั้นขั้นสี่เก็บไหวเมื่อก็เม้นบา่นตายแล้ว บ่อฝังกระเผาเท่านั้นแหะเห็ดเนื้อื่นบ่อใดว่าลงไปบ่อฝังกระเผลขั้นขั้นเกียไ์ใมันเหม็นมันตายแล้วตายนั่นคื อ, อยังตายคือร่างกายมันตายจิตใจออกจากร่างกายคือกันกับรถเบิง้งถึงมันก็ครบบริบูรณ์อยู่เอตาหูแขนขาตีนมือครบบริบูรณ์แต่ว่ากระดุกกระดิบบ่อใดคือกันกับรถ รถมั่นตายไม่เป็นยังไงมันก็จอดซื้ออยู่มันก็ครบมดทุกอย่างดูแต่มันขยับพอได้อันนี้รถมั่นตายเท่าขื้นกันมนุษย์เท่าขึ้นกันมีครบมดทุกอย่างแต่มั่นตายมั่นตายคืออย่างคือจิตวิญญาณตัวผู้รู้เนี่ยออกจากร่างกายพอออกไปแล้วท่านนี้ร่างกายมรดสภาพอยู่พอได้แหละพอางจิตใจออกไปแล้วได้เอ่อจากนั้นก็เผาไฟทนายระบาดพอาะแก้ไว้มันก็เหม็น พราะอะไรเพรร่างกายบเพราจิตใจบาดยึดบกค้องแล้วอันนี้แหละในหลักของพระพุษาษาทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ความสนใจเรื่องใจตัวหน้ามาถ้ำตัวนั้นแหละใจตรงนั้นจะออกจากล่างนี่แหละตุ้นวดออกจากล่างเน่ย จ, จะไปใส่บัณฑ์พระพุทธเจ้าพผนหูเนีพยผนังสมาธิพผนหูเนียว่าใจของแต่ละคนนออกจากใส่เพราะว่ามีญาณทัศนาคือเครื่องมือเนี่เรียกว่าจุปะปะปะปะตูปปาตยานเนการจุติของ ชัดทั้งหลายของวิญญาณทั้งหลายออกจากร่างนี่จะไปใสไปเกิดใส่พระพุทธเจ้าเพิ่นมี ญ, ญาณนะทัศน์ะเพิ่นหูได้พระนพไปนี่แหละบานให้ตู้นวดออกจากนี่เขาว่าตู้นวดสร้างบุญสร้างกุศลผู้เท่าสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลก็สึกเขามากประดับจิตประดับใจของตู้นวดตู้นวดออกจากนี่แล้วก็มีเงินติดกระเป๋าไปตู้นวดจะไปเกิดสวรรค์สั้นพ้มไปใส่ก็ได้ พ เ, เพราะเหตุใดพ่อตูนวดได้สร้างบุญแต่ว่าตูนวดท้ำกรรมบอดีเอาไว้ตูหนวด ก, รรกับโต๊กกรรมกันไปแต่นี่หลวงพ่อมั่นใจที่เดียวได้ว่าตูนวดเนี่ยผู้เฒ่าได้สร้างคุณงามความดีก้อนผู้เฒ่าสี่ล่มสีตายผู้เฒ่าก็คงตลึกถึงคุณงามความดีของผู้เฒ่าเพื่อกันหลวงพ่อก็แต่เบิงได้สอนได้บอกได้กล่าวเออผู้เฒ่าพ่อจงคว้นอยู่ อย่าไปคิดไปเจ้าอื่นนอะนึกพูดโทษในใจเนะพูดตู่นะพอเกิดมาแล้ว น, นี่แหละทุกคนเกิดไปนําการมัดเนระาต้องเสียใจอีกสักมื่นหนึ่งลงพ่อก็จะเดินตามหลังไปเรื่อยๆขึ้นกันนะออันนี้ตู้นวดอาจจะไปก่อนลงพอ่อแต่ต่อไปลงพ่อก็จะเดินตามหลังตู้นวดทุกคนนั้น่ะจะต้องเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆเพราะนั้นชีวิตของพวกเข้าเป็นของเป็นทังซี่ละเกิดมาแล้วเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพยังสอนว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเด้อ ในคณะยังมีชีวิตอยู่ให้สั่งสมคุณง่ามความดีเอาไว้เนะให้ท่านรักษาศีลภาวหน้าเอาไว้เนะให้ปฏิบัติพอปฏิบัติแม่อให้ทําตนเป็นคนดีอย่าไปเฮ็ดมันสิงถือมันเลวเพราะชีวิตถือมันบวายืนบวญยาวเด้เอบวกีปีไพ่ภาคหนาเนะะี่ยไก่ต้มล่มหายายจากกันแล้วต่างคนต่างไปแล้วบวมีผลได้ทอยู่ชั่วฝ่าดินสะไล่ได้เพราะนั้นในขณะทีิยูต้องการไก่หักกันไว้ ให้เมตตากันไว้ให้สงเคราะห์อนุเคราะห์กันไว้อย่าไปเกลียดอย่าไปชั่งอย่าไปโมโหโทโศ โ, โกธาให้กันเกินไปอีกพอเกีมือกันนี่แหละต่างคนต่างไปการไปนี่ย่ะนั่นแหะคันว่าพวกเข้าผู้ใดมีบุญมีกุศลกัไปเกิดในภพภุ่มที่ดีไปเกิดสวรรค์สั่นพุม่มคว่าผู้ใดละกิเลสราคะโทสะโมหะได้กับเขาสู้ในพลาดคันว่าผู้ใด ย, ยังเป็นผู้ตัชนอยู่ก็มากเวียนว่ายตายเกิด พบไม่ชาติไม่อีกต่อไปเนี่ยเพื่นว่าวั ต, ตวน้นวิญญาณของมนุษยชาติเป็นอย่างสันน่นนะออกตอนญาติโยมเนอะเอออันนี้คู่บ่ายาจาย์เพิ่นได้ศึกษาเพื่อนได้พิจารณาเพื่อนได้ภาวนาเพืรร่อนทำจิตให้สงบแล้วกานว่าศรัทธาญาติโยมผู้ใดก็ตามมีความสงสัยว่าแม่นบ่หลวงพ่ออินบ่นะเออหลวงพ่ออินกับบ่แม่นจะให้พวกเข้าเชื่อที่เดียวบ่แม่นให้พวกเข้าปฏิบัติบับงเด้อ อกลางขึ้นดึกส ง, งัดหรือว่าช่วงใดที่มันเงียบสงบพยายามนั่งภาวนาเไปะจะเดินจงกรมก็ได้เดินเนี่ยกับบอดี้มีพิธีรีตองยังหรอกเข้าจิตออกกําลังกายย่มะเ้าเข้าแลรงจอกกิ่งสิก็ได้กัน เ, เดินแบบนักกีฬาแรงแรงออกกําลังกายตอนเศร้าพุทโทษพุทโทษพุทโทษพุทโทษ พ, พ, พุทโทให้มีสติกับการก้าวของเจ้าของอันนี้คือการเดินหรือว่าเดินธรรมดากิ ขาควาพุทธขาท่ายโท่พุทธโถพุทธโถพุทธโถยางไปธรรมดาย่างในบ้านเท่ากันได้ย่างหามีสติอันนี้ก็คือการเดินยังกบการนั่งพ่วนหน้าบ้านตอนคํามาเข้านั่งพ่อเงียบสงบลูกหล้านพักพรนอนบัลลังก์เงียบสงบเข้ากนนั่งพ่วนานอกขาขวาทับขาท่ายเมื่อขวาทับเมื่อท่ายบริกรรมหายใจเข่าพุทหายใจออกโท่พุทธโถนี่ล่ะพยายามนั่งหายนั่น พุทธพุทธทจิตใจของเขานิ่งสงบเข้าไปบัดพ่อจิตใจสงบเข้าไปเข้าจงหูเลยบัดสงบเป็นอัปปนาสมาธิคณิกาอุปจาระอัปปนาสมาธิจิตใจเป็นหนึ่งบัดร่างกายกับจิตใจเนี่ค้นระย่างกันเนีมันคนระแนวกันเลยบาดเห็นได้ชัดเจนในความรู้สึกในกาศเมื่อจิตสงบเข้าไปแล้วร่างกายเป็นอันนึ่งจิตใจเป็นอันนึง ไอ้ตัวปู้รูรูเนี่ยเป็นอันหนึ่งร่างกายที่เข้านางจุกปุกนี่คืออันหนึ่งเพราะนั้นเพื่อนยังบอกว่าร่างกายของเขานีนมีอยู่สองอย่างเนอะพระพุทธเจ้าเพื่นไปพิสูจน์มาแหละมีสองอย่างมีกายกับใจมันอาศัยกันอยู่นี่ยคือกันกับรถกับพ้นขับรถจังสันละเพื่นว่าเพราะฉะนั้นขณะว่าเข้าแยกเข้าเห็นเมื่อจิตสงบแล้วเข้าจะเห็นรูได้เข้าจะ่หูจักเลยบอโอ้พระพุทธเจ้าเพื่นว่าเนี่ตายแล้วเกิดแม่เอ็นอลีเด้เนี่ ที่มันตายนะ่ยคือร่างกายมันตายแต่แต่ส่วนจิตใจนะ่ยบ่อแตกบ่อตายไปปฏิสนธิในพบพุ่มต่างๆอีกได้คานวา่าจิตใจด ว, ดวงนั่นตัวหน้ามาถ้ำที่วานั่นนะสร้างบุญสร้างกุศลอย่าบุญกุศลก็ติีจิตตีตตใจขึ้นกันกันกบสักหลังไล่เส้นหลังท่าเอาไปใสกันบุญกุศลก็โยในให้หลังของเขาน่ะไปคานาวาเข้าท้ำกลมชั่ววันนี้กลมชั่วก็ซักสีแดงเส้หลังเข้าขึ้นกันวันไป ไปไซก็นั่นแหะกรรมชั่วก็ให้ผลตลอดไปวันออกไปเพราะเหตุใดเพราะเขาทํากล่ำบอดีเอาไว้เพราะนั้นเพื่นว่ากรรมชั่วอย่าทํำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังาบาลีเพื่นบอกว่าอะกตังดุกกตังเส้ยโยปัตชาตปะปฏิดุกกตังกรรมชั่วอย่าทํำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังถ้าว่าเขาทํากล่ำบอดีแล้วกรรมบอดีจะติดตาม พวกเข้าไปสู่ผ้ายภาคหนาปารลูกผ้ายภาคหนาพราะเห้นั่นพวกเข้าสังสมแต่คุณงามความดีนะเน้อหลวงพ่อเอาถ้ำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ประสบประการแล้วกได้ฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์แล้วก็ได้ประสบประการด้วยตนเองอีกนํามากกล่าวมาบอกมาสอนออกตนง่ายโยมให้ออกตนง่ายโยมฟังแล้วก็ให้ไปคิดไปไต่ตองแล้วก็ไปโล่งเมื่อประพฤติปฏิบัติตาม ลงพอว่าพวกเขานี่จังไรบ่เชื่อมากก็ต้องเชื่อหน่อยวันนั้นไปเนี่ศรัทธาคือความเชื่อตัวนี้จะมีเหตุมีผลในจิตในใจของพวกเข้าคันว่าพวกเข้าปฏิเสธเลยบริเหตหรือปฏิเสธก็คือกันครับตาบอดปฏิเสธว่าเอ้ยกูบอยาายัดรอกเอ็งบอกมีน้ํารอกแถวนี่เนี่ยแต่ว่าตาบอดมันหนามมันบดปฏิเสธตาบอดเออหลุมบอป ฏ, ปฏิเสธตาบอดเลางเธอตาบอดตกสร้ังตกบอดอไรขึ้นกันเด้ อคันปฏิเสธหมดเลยอันนี้คือกันนะข่า ว, ว่าเฮ้าบ่อเสือเฮ้าถ้ำกรรมชั่วไปน่ะกรรมชั่วตนนั้นอ่ะมันไ ม, ม่ไปใสหรอกมันเข้ามาหาสู่จิตใจของเฮ้าบางที่ถึงข้ามมากเลยเสียอกเสียใจร่องห o m ร่องหาเป็นย่างกูยังทุกข์ยังส่เป็นย่างกูยังจนยังสิเอ่อเป็นย่างกูจึงเป็นยังส่เป็นยังส่ตำลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าเจ้าของทํากรรมชั่วไว้ในอดีตน่ะยังพโมกขา่าราเนี่ย เกิดมาพบในชาตินี้เพลินเป็นอัครสาวกขางไสของพระพุทธเจ้าเฮาะเหินเดินฝ่าได้เป็นที่ย่อมรับของขู่คนทั้งหลายแต่ว่าถูกโจรผู้ไล่ขาโจรผู้ไล่ขาประโมกขา่าคนทั้งหลายก็สงสัยเป็นอย่างเพลินสร้างเพลิง่ามความดีถึงขนาดนี้จนได้เป็นอัครสาวกเป็นที่ย่อมรับเป็นลูกเศรษฐีอกีกทางหากเพลินก็บริสสั่งความสัวเสียหายยังเกิดขึ้นเลยเป็นอย่างะโมกขา่าจึง ถูกโจรข่าจังสี่บ่สมควรอย่างยิ่งเลยที่เป็นจังสี่ไปถามพระพู้ใหเจ้าพู้ใหญเจ้าบอกว่าพระโมคขล่าเนีเพิ่นได้ทำกล่ำบ่ดีไวในอดีตแต่ชาติพบก้อนชาติก้อนเพิ่นได้ข่าพ่อกับข่าแม่ของเพิ่อนอันนี้ข่ามาแล้วพระโมคขล่าถูกข่ามาแล้วหลายพบหลายชาติแหละคันว่าพระโมกขล่าย่างบอท่านเป็นพระอรหันในชาตินี้ชาติหน้าก็จะถูกข่าอีกเพราะว่ากรรมต้นนี้ยังติดตามอยู่ แต่บัณนี้พระโมกขล่าเพลินบุญกุศลเพิินได้สั่งมากไหวยางมากแล้วเพลินก็เลยบำเพ็ญจนได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์บัณนี้เพลินสําเร็จออกจากชาตินี้ไปแล้วนะี่กรรมตัว น, นั้นเป็นอโหสิกรรมแล้วเนะัลนี้ยคือกันกับพระโมคขล่าขามน้ำไปแล้วมันไปหมาติดติด ต, ตามนะ่ยกร่อมคือข้อมชั่วของพระโมคขล่าติด ต, ตามมากค็คือไปหอดฟังไว้น้ำโคนะ้งจักพระโมคขล่าไปใสบ่บัตร แลนไปแลนมาแลนไปแลนมาในฟังพโมพขล่าขามฟังไปแล้วเข้าสู้แดดนิพ่านแล้วหมาตอนนั้นก็เลยตายเพราะเหตุ ใ, กกตนนกกกใดกรรมกรรมตอนนั้นก็เอาโหสีกรรมกรรมให้ผลทําเล็ดมันไปมันมดทางสิไปแล้ว่ไปอันนี้คือกันอนยะ่างพระพุทธเจ้าพันหูเนี้ว่าการกระทํำด้วยบุญบาปบุญคุนโทษเป็นไปจังใดเป็นมากจังใดเพราะนั่นพวกเขาอยาทํ่ำนะให้เชื่อในท่ำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เือในธทําคําสังสอนครู่บาอาจารย์อย่างที่หลวงพ่อได้บอกให้ฟังนั่นสิล่ะแล้วก็ให้นําไปคิดนําไปพิจารณาไตรตองเหตุและผลแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายว่าใจใจของพวกเฮาพวกเฮาจะมีแต่ความสุขความเย็นใจการยูรำกันเป็นหลอยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนจะมีแต่ความสงบลมเย็นเป็นสุขต่อกันเพราะเหตุใดเพราะมีเมตาต่อกันมีการทรงคออนุเคราะห์กันเมิยั้งก็เอาทุกข์ยากลำบากยังได้สร้อยเบิงกันอการคนเงน ต่างเป็นทุกข์ต่างค้นกับต่างตายไปเมื่อตายกับมาเผากันอย่างสี่แหละวันออกไปอแต่ว่าแนวสีมันสีซัวสีเบียดสีบังสีคตสีโกงสีถ้ำลายกันะยาเฮดเดอร์มันบอดีนะต่างคนต่างคิดในใจยังสั้นันนั่นแหละพวกเขาจะล่มเย็นเป็นทุกข์การพูดเมื่อเนี่ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาต้อ น, นี้ไปก็เริ่มผิดที่สวดมัตติกาบังสกุลเนะื้อบานี้เน้อ